อผลารชน่ะแต่สรุปแล้วจะทํำยังไงเกิดมาในโลกเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่พระหมอท่านหมอครูบาหมอ่ะเมื่อท่านจบจากหมอจุลาท่านเรียนดีนะเอเกือบจะว่าได้เหรียญทองอ่ะของจุลาพอจบแล้วท่านก็นมาลงที่อุดรเพราะพ่อแม่ของท่านอยู่ที่อุดร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 โล ก, ก็พอสมควรจากนั้นท่านก็เรียนจบท่านเป็นมีพี่น้องด้วยกัน ส, ส, สองสคนผู้หญิงหัวปีและท้ายปีสวนท่านเป็นคนกลางฮะจากนั้นท่านก็พอจบจากจุราและท่านก็มากลับมาที่อุดอรทางจังจังหวัดอุดอรก็เห็นว่าที่จะปกครองได้ เพราะในช่วงนั้นโรงพยาบาลขึ้นมาใหม่ก็หาหมอหาแพทย์ก็ยากก็เลยส่งครูบาหมอเนี่ยมาเป็นผ อ, อโรงพยาบาลนายุงเป็นคนแรกพอต้า ง, งโรงพยาบาลมากระทันเป็นคนแรกเป็นผ อ, น อ, อ, อท่านบริหารดีพี่น้องประชาชนชาวอำเภอนายุงคงระลึกได้หมอคนแรกของ นายูงที่ดูแลพระดูแลคณะสัยาย่าโจมลูกหลานจากนั้นท่านก็อยู่หลายปีจากนั้นท่านก็ได้ย้ายขอย้ายไปอยู่ที่อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรเหมือนกันพอท่านย้ายไปอยู่ที่นั่นก็ไม่นานท่านก็ขอเรียนขอย้ายเขาไปเรียนขอขอไปเรียนเฉพาะทางที่จุลา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 เอามือด้วยความสัมผัสเทวบุตรก็ลงมาเกิดด้วยเทวบุตรก็คือจยู่สันสวรรค์ลงมาเกิดในท้องของฤาษีที่อยู่ในป่าจากนั้นก็มีลูกคลอดลูกออกมาเป็นชายพอเป็นชายขึ้นมาแล้วแต่นี้ชื่อตั้งว่าสุวรรณสามสองสองตายายสองภูเมียตั้งชื่อชื่อว่าสุวรรณสามจากนั้นสุวรรณสาม ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเด็กพอรู้เรียงสาภาวะใดมากันเป็นเด็กที่มีเมตตาเออพวกแก่งพว ก, วกว้างพวกอะไรกระจงกระเจงอะไรเข้ามามาเป็นเพื่อนทั้งหมดเอ่อพราะในสูตรเนยพอเป็นหนุ่มขึ้นมากันพ่อแม่ก็เลยตาบอดเลยพ่อตาบอดทั้งคู่เลยพ่อแม่ก็ไปไม่ได้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 ไปหาล่าสัตว์ในป่าพอไปหาล่าสัตว์ในป่าเดินเดินเดินไปพอได้ยิงตัว น, นี้ก็ยิงเอาธนูยิงไปคนเดียวอีกต่างหากนะพอได้ไปเห็นพวกเก่งพวกกวางเดินเป็นฝูงกับสุวรรณนะสามถ้าเราจะเข้าไปถามเดี๋ยวพวกเก่งพวกกวางก็จะแตกหนีไม่รู้อะไรมันเป็นทำไมเก่งกวางจึงเป็นเพื่อนกับ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 นั่นแหละคือความไม่ดีนะั่นคืออะไรคือศีลห้านะถ้าคนล่วงละเมิดศีลห้ามากๆนะั่นแะคนไม่ดนะีถ้าคนดีคือคนคนมีศีลห้านะเพราะนั้นให้พวกเราให้รู้จักว่าดีแลวไม่ดนะีจุดไหนหุ ด, จ, ด, จ, ดจุดนี้หละเป็นเครื่องวัดกันนะตอนน่อ้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร